วันนี้เป็นวันพุทธที่29ตุลาคมพุทธศักราช2568เป็นวันพระวันธรรมสวรรวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรม วันทำความเห็นให้ถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคืออะไรคือความเห็นตามความเป็นจริงเช่นตายแล้วต้องไปเกิดใหม่ไปสวรรค์ถ้าทำบุญไปอบายถ้าทำบาปหลังจากที่ได้รับผลบุญผลบาปแล้ว ก็ไปเกิดใหม่ถ้ายังมีกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาอยู่ในใจถ้าสามารถซัพกพ้อจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงก็จะไปนิพพานนี่คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องที่เราจะได้ ทำให้เกิดขึ้นในวันพระในวันธรรมสวรรคคือในวันฟังธรรมเพราะการฟังธรรมนี้เป็นการเรียนรู้สัมมาทิฏฐินั่นเองเพราะธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนของผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิ คือพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงสาวกทั้งหลายก็ดีท่านล้วนมีดวงตาเห็นธรรมเห็นความเป็นจริงที่ปุถุชนอย่างพวกเรายัางไม่สามารถมองเห็นได้เพราะเรายังไม่มีดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมของพวกเรา ตอนนี้ยังถูกปิดกันด้นโดยอำนาจของก oh ิเลสตันหามหะอวิชชาเรายึงยังไม่สามารถเห็นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าได้รู้ได้เห็นได้แต่เราก็ยังสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องของสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลาย ได้รู้ได้เห็นได้ด้วยการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระอริยสงสารุกระดีท่านก็จะสอนสิ่งที่ท่านเห็นด้วยดวงตาเห็นธรรมของท่านท่านก็จะเห็นว่าหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วจิตใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย จิตใจก็จะเป็นดวงวิญญาณที่จะไปรับผลบุญหรือผลบาปที่ได้กระทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าผลบุญมีมากกว่าผลบาปผลผลบุญก็จะส่งผลก่อนจะส่งให้ดวงวิญญาณไปสู่สุขคติคือไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆถ้าผลบาป มีกำลังมากกว่าผลบุญผลบาปก็จะส่งผลก่อนผลบาปก็จะพาให้ไปเกิดในอบายไปเป็นเดลฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอสุลกายไปนรกจนกว่าผลบุญหรือผลบาปนั้นได้รับจน ผลบุญผลบาปนี้มีกำลังเท่ากันตอนที่ผลบุญกับผลบาปมีกำลังเท่ากันบุญก็ไม่สามารถดึงใจให้ไปสู่สุคติได้บาปก็ไม่สามารถดึงใจให้ไปสู่อบายได้ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้ายังมีกิเลสตัณหา ถ้ายังมีกามตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัหาคือความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสโถดทพะชนิดต่างๆความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากทั้งสามนี้ก็จะเป็นผู้ที่จะดึงดวงวิญญาณให้มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วพอได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะมาทําบุญทําบาปกันใหม่อีกรอบหนึ่งถ้าจิตใจได้รับการซักพอกด้วยธรรมนประิเสฐของพระพุทธเจ้าตอนนี้จิตใจบริสุทธิ์ผุด่องขึ้นมาจิตใจดวงนั้นก็จะไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปเช่นจิตใจของพระพุทธเจ้า และจิตใจของพระอาหลังตสาคกทั้งหลายท่านได้ซักพ่อจิตใจด้วยธรรมประเสริฐของพระพุทธเจ้าแล้วจึงไม่มีเหตุที่จะดึงให้ดวงวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปท่านก็จะอยู่ที่พระนิพพานเป็นสภาพจิตใจที่มีแต่ความสุขตลอดอนันตการ คือมลมสุขนิบานังปรมามังสุขขังนี่หละคือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องซึ่งต่างกับความเห็นที่ไม่ถูกต้องคือความเห็นผิดเช่นเห็นว่าตายแล้วศูนย์นรกสวรรค์ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีอย่างนี้เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ เป็นความเห็นที่ไม่ตรงกับหลักความเป็นจริงแต่ถ้าเราได้มีโอกาสได้ศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระอริยสงสาวกทั้งหลายก็ดีเราก็จะได้รับการยืนยันจากท่านว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วต้องไปรับผลบุญผลบาป ตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ถ้ายังไม่ได้ซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือสมาทิฏฐิในระดับแรกสัมาทิฏฐินี้มีอยู่สองระดับด้วยกันระดับแรกก็เกิดจากการเชื่อคำสั่งคําสอนของผู้ที่มีสัมาทิฏฐิคือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารุปทังหลาย ท่านมีดวงตาเห็นธรรมท่านเห็นในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเรายังเปรียบเป็นเหมือนคนตาบอดส่วนท่านเป็นเหมือนคนตาดีคนตาบอดก็ต้องอาศัยคนตาดีบอกให้รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าบอกว่าตรงนั้นมีคนนะตรงนี้มีโต๊ะตรงนี้มีเก้าอี้ตรงนี้มีหลุมตรงนี้มีบ่อ คนตาบอดจะไม่สามารถมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ต้องอาศัยคนตาดีคนตาบอดจึงต้องเชื่อคนตาดีเพราะว่าถ้าเชื่อคนตาดีแล้วก็จะปลอดภัยจะได้ไม่ไปเดินชนสิ่งนั้นสิ่งนี้จะได้ไม่ไม่ไปเดินตกหลุมตกบ่อเป็นต้นถ้าคนที่เป็นปุถุชนที่ยังไม่มีดวงตาเห็นธรรม เชื่อคนตาดีคนที่มีดวงตาเห็นธรรมก็จะปลอดภัยก็จะไม่ไปทำบาปก็จะปลอดภัยจากการไปเกิดในอบายก็จะไปรุงไปสู่การทำบุญเมื่อทำบุญก็จะนำไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆแล้วถ้าไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ ก็ซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติจิตธภาวนาสนับสนุนโดยการรักษาศิ่แปลขึ้นไปก็จะสามารถทำให้จิตใจนี้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้อนี้คือสัมมาทิสติมีอยู่สองระดับด้วยกันระดับแรกนี้คือระดับของความเชื่อ เรายัางไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารกมองเห็นได้แต่เรามีศรัทธาความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระอริยสงสารกเป็นคนมีศีลมีสัจเป็นคนไม่พูดปดไม่โกหกหลอกลวงใครและก็ไม่มีใครสามารถที่จะมาลบล้างคำสั่งคำสอนของท่านได้ มีแต่มีแต่ผู้มาสนับสนุนใครก็ตามที่ได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติตามได้ก็จะบรรลุธรรมขึ้นมามีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาแล้วก็จะเห็นสิ่งเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นก็จะมารับรองมารับประกันว่าธรรมสอนของพระพุทธเจ้านี้ เป็นสวากขาโตพระกวตาธรรมโหเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ<ม>นี่นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ยืนหยัดมาอยู่ได้จนถึงสมัยนี้2500อกว่าปีมาแล้ว<ม>จึงทำให้พวกเราผู้ที่มาศึกษามาเรียนรู้คำสั่งคำสอนมีความมั่นใจที่จะเชื่อถือได้ ว่าเป็นความจริงแต่ก็ยังเป็นความเชื่ออยู่เรายังมองไม่เห็นความจริงเหมือนคนตาบอดที่เชื่อคนตาดีทำตามที่คนตาดีบอกคนตาดีบอกว่าอย่าไปทางนี้นะเราก็ไม่ไปทางนี้เพราะทางนี้มีหลุมมีบอ่ออย่าไปทางนี้นะเพราะทางนี้มีสัตว์เลื้อยคานต่าง ๆ, างๆเป็นต้นเราเชื่อคนตาดีเราก็จะปลอดภัย แต่ตัวเราเองเราก็ยังมองไม่เห็นสิ่งที่คนตาดีเห็นเราบางทีก็อาจจะสงสัยขึ้นมาก็ได้ว่าเอ๊ะคนตาดีหลอกเราหรือเปล่าแกล้งเราหรือเปล่าเป็นต้นเังนั้นความศรัทธาหรื อ, อสมาธิความเห็นที่ถูกต้องที่เกิดจากความเชื่อนี้ก็อาจจะสั่นคลอนได้ในบางเวลาบางโอกาสเช่นเวลาที่เราอยู่ในภาวะ กดดันแร้นแค้นยากจนเราเห็นคนอื่นเขาทำบาปแล้วเขาได้ดิบได้ดีเขาล่ำเขารวยกันแต่เราไม่ทำบาปเราทำแต่ความดีเรากับอดอยากขาดแคนยากจนแร้นแค้น<ม>ก็อาจจะทําให้นึกคิดขึ้นมาว่า<ม>ทำดีไม่ได้ดี<ม>ทําชั่วได้ดีมีถมไปมก็อาจจะ ไม่ไม่ศรัทธาขึ้นมาก็ได้ศรัทธาก็อาจจะสั่นคลอนสู้ทำบาปดีกว่าทำบาปกับได้ดีได้ร่ำได้รวยได้ยศได้ตำแหน่งแต่คนทำดีกับไม่ได้ยศไม่ได้ตำแหน่งไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยแต่อย่างใดก็อาจจะทำให้เกิดความท้อแท้แล้วไม่เชื่อในสัมมาทิฏฐิที่ตนเองได้เชื่อมาก็ได้ดังนั้นสัมมาทิฏฐิที่เกิดจากการเชื่อ จากการที่เราได้ศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ยังเป็นสัมมาทิฏฐิที่ไม่มั่นคงเป็นศรัทธาที่ไม่มั่นคงศรัทธาที่ยังสั่นคลอนได้เวลาที่มีเหตุการณ์ที่มาท้าทายต่อความศรัทธาของเราเช่นบางทีก็มีคนเขาเอาเงินมาล่อให้เราไปทําบาปแล้วเรากําลังยากทุกข์ยากลําบากอย่างยิ่งเราก็อาจจะ ยอมทำบาปเพราะว่าเพื่อที่จะได้ทําให้เราพ้นจากความทุกข์ยากลําบากแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเรามีดวงตาเห็นธรรมอย่างพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านเห็นว่าทําบาปต้องไปอาบายอย่างแน่นอนท่านก็จะไม่ทําบาปต่อให้ใครเอาเงินมากองต่อหน้าเป็นร้อยล้านพันล้านท่านก็จะไม่เอาถ้าต้องเลือกกับการไปอาบาย ถ้าจต้องไปเกิดเป็นสัตว์ในละชา น, ป น, ป น, ปนไปเป็นเปรตไปเป็นนกศูลกายหรือไปนรกท่านก็จะไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดเพระาะอเรียสงสาวกทุกพระองค์ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านมีดวงตาเห็นธรรมท่านเห็นบาปทำบาปแล้วจะต้องไปเกิดในอบ า, ายอย่างแน่นอนทําบุญนี้ยังต้องไปจะไปสวรรค์ชั้นต่างๆ ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความปวดความหลงก็จะไปนิพพานท่านก็จะไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดท่านก็จะมุ่งไปสู่การทำบุญมุ่งไปสู่การทำระซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธจนในที่สุดก็จะได้บรรลุเป็นพระอารหันตาสาวกขึ้นมาอันนี้สัมมาทิฏฐิที่เกิดจากการมีดวงตาเห็นธรรม กิจากการปฏิบัติธรรมสมาธิจึงมีสองขั้นขั้นแรกก็คือขั้นที่เกิดจากการศึกษาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังแล้วก็น่าเชื่อเออพระพุทธเจ้าบอกตายแล้วไม่สูนะตายแล้วต้องไปเกิดใหม่เป็นดวงวิญญาณไปสวรรค์ถ้าทําบุญไปบายถ้าทําบาปแล้วหลังจากที่ไปรับผลบุญผลบาปหมดแล้วก็ ถ้ายังมีตันหาความอยากมีกิเลสอยู่ก็จะกลับมาเกิดใหม่ม า, มาทำตามความอยากใหม่ถ้าซักฟ้องจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปไม่ต้องมาทุกขกับการเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆอันนี้ขั้นนี้เป็นขั้นศึกษาฟังแล้วก็น่าเชื่อแล้ววิธีที่จะทำให้เราเ รับประโยชน์จากสัมมาทิฏฐินี้ก็คือทำที่พุทธเจ้าทรงสอนให้กระทำทรงสอนให้เราละการกระทำบาปทาั้งปวงอย่าทำบาปเราก็จะปิดประตูบายถ้าเราไม่ทำบาปเราก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายแล้วก็ให้เรามาทำบุญทาความดีต่างๆการทำความดีต่างๆก็จะส่งให้ดวงวิญญาณของเราไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆ แล้วก็ให้มาซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อทำให้จิตใจเรายุติการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อให้จิตใจเราได้ไปสู่พระนิพพานให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเราก็จะเชื่อแล้วเราก็นำไปปฏิบัติแล้วถ้าเราปฏิบัติอย่างม่ําเสมอไม่ย่อหย่อนไม่ท้อแท้ไม่ถดถอยไม่ยกเลิก วันใดวันหนึ่งเราก็จะมารล้ธรรมขึ้นมามีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงเห็นว่ามรรคผลนิพพานมีจริงถ้าเห็นแบบนี้แล้วจะเป็นความเห็นที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นความเห็นเป็นความจริงส่วนความเชื่อที่เกิดจากการเชื่อ จากการได้ยินได้ฟังเขาทำคำสอนนี่ยังอาจจะทำให้ความเชื่อเราเปลี่ยนเปลี่ยนได้เปลี่ยนจากการเชื่อไปสู่การไม่เชื่อได้แต่ถ้าเป็นความเห็นที่เกิดจากการปฏิบัตินี้จะเป็นความเชื่อร้อยเอร์ซ็นจะไม่มีวันสงสัยลังเลสงสัย อ, อีกต่อไปว่านารกมีไหมสวรรค์มีไหมเวียนว่ายตายเกิดมีไหมพระนิพพานามีไหมสิ่งเหล่า น, นี้จะไม่ มีความสงสัยอยู่ในใจของพระอริยบุคคลของผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมนี้คือเรื่องของการสร้างสัมมาทิฏฐิทำไมถึงบอกว่าวันพระเป็นวันสร้างสัมมาทิฏฐิเพราะวันพระเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดให้ศรัทธาญาติโยงปล่อยวางภารกิจการทำงานทำการการหาเงินหาลาบยศเสริญ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรถเพื่อเอาเวลามามาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพอได้ยินได้ฟังคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้มีสัมมาทิฏฐิปรากฏขึ้นม า, มาเมื่อก่อนไม่ได้ฟังธรรมก็อาจจะคิดว่าตายแล้วไปไหนตายแล้วใครไปรับผลบุญผลบาป ใครไปนรกใครไปสวรรค์ใครไปเกิดใหม่อันนี้เราจะไม่รู้เพราะเราเห็นแต่ร่างกายที่ตายไปแล้วนั้นไปสู่สุสานไปสู่เมรุไปถูกเผาให้กลายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไปเมื่อร่างกายกลายเป็นขี้เท่าขี้ฐานแล้วใครจะไปรับผลบุญผลบาปเราก็อาจจะสงสัยแลวเราก็อาจจะไม่เชื่อในเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด เรื่องของมรรคผลนิพพานก็ได้แต่พอเรามาฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าทำของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือธรรมของพระอริยสงสารุก็ดีเราก็จะได้ยินว่าผู้ที่ตายผู้ที่ไปผู้ที่ไปไปสวรรค์ไปนรกนี้ไม่ใช่ร่างกายแต่มีใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายชีวิตของพวกเราตันี้มีส่วนประกอบอยู่สองส่วนด้วยกัน คือมีร่างกายและมีจิตใจร่างกายเป็นบ่าวจิตใจเป็นนายจิตใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆอย่างวันนี้ญาติโยมมาที่นี่ได้เพราะว่าจิตใจสั่งให้ร่างกายมาที่นี่ถ้าจิตใจไม่คิดมาที่นี่ร่างกายก็จะไม่มาที่นี่แต่ญาติโยมคิดอยู่ในใจว่าวันนี้เป็นวันพระเป็นวันที่เราจะต้องไปทาบุญไปฟังเทศน์ฟังธรรม พอเราคิดแล้วถึงเวลาเราก็สั่งให้ร่างกายออกเดินทางมาที่นี่มาที่วัดอันนี้คือการทํางานของคนสองคนด้วยกันไม่ใช่คนเดียวเราถ้าเราไม่ได้ศึกษาทนะํเราอาจจะคิดว่าความคิดกับร่างกายนี้เป็นคนเดียวกันแต่ความจริงแล้วความคิดเป็นอีกคนหนึ่งร่างกายเป็นอีกคนหนึ่งไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคนคนเดียวกันแต่เป็นฝาแฝดแฝดพี่แฝดน้อง ใจเป็นแฝดพี่ร่างกายเป็นแฝดน้องพี่เป็นคนสั่งให้น้องทำอะไรต่างๆถ้าพี่ไม่สั่งน้องก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เช่นเวลาที่คนตายนี้ไม่มีไม่มีจิตใจอยู่ที่ร่างกายแล้วไม่มีจิตใจมาคอยกากับมาสั่งให้ร่างกายทำอะไรแล้วตอนนั้นร่างกายก็จะนอนอยู่เฉยๆไม่ขยับไปไหนไม่สามารถขยับครับ ขยับเขยื้อนไปไหนเองได้คนตายนี้ต้องรอให้สับเปลหรือคนเป็นนี้มาช่วยจัดการกับร่างกายต่อไปแต่ถ้ายังมีใจอยู่กับร่างกายอยู่ใจก็สามารถจะสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆได้อันนี้คือชีวิตของเรามีส่วนประกอบอยู่สองส่วนมีร่างกายก็มีจิตใจเวลาที่ร่างกายตายไปนี้ จิตใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของร่างกายแต่เราสามารถมองเห็นจิตใจได้ถ้าเรามีดวงตาเห็นธรรมถ้าเราปฏิบัติธรรมวันหนึ่งทั้งหน้าพอเรามีดวงตาเห็นธรรมเราจะเห็นจิตใจว่าจิตใจนี้ยั่งยืนถาวรไม่มีวันตายสิ่งที่ตายไปคือร่างกาย สิ่งที่ไปรับผลบุญผลบาปที่เกิดจากการกระทมของใจก็คือใจนี่ใจตอนนั้นก็จะเป็นดวงวิญญาณถ้าทาบุญก็จะได้ไปเป็นเทพชั้นต่างๆถ้าทมบาปก็จะไปเป็นเปรตบ้างเป็นนรกกายบ้างไปนรกบ้างหรือถ้าไปเกิดก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างใจนี่แหละเป็นผู้ที่ไปเวียนว่ายตายเกิดใจนี่แหละเป็นผู้ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย นาใจนี้แหละผู้ที่จะซักข้อใจของตนเองให้สะอาดบริสุทจนได้ไปสวรรค์ไปไปนิพพานไปมรรคผลนิพพานนี่คือสิ่งที่พวกเราจะได้เรียนรู้ในวันพระกันเราจึงเรียกว่าวันพระนี่เป็นวันทำความเห็นให้ถูกต้องถ้าเราไม่เข้าวัดเลยนี่เราจะไม่มีวันเข้าใจเลยว่า การเวียนว่ายตายเกิดเป็นอย่างไรใครไปเกิดใหม่ใครไปนรกใครไปสวรรค์เพราะเราเห็นเพียงแต่ร่างกายเพียงอย่างเดียวก็อาจจะทำให้เราคัดค้านได้ว่าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีตายแล้วไปเกิดใหม่ไม่มีมีแต่ไปสู่สุสานบางศาสนาเขาก็ร่างกายไปฝังในสุสานบ า, างศาสนาก็เอาไปเผาที่เมเมื่อร่างกายตายไปแล้ว กลายเป็นดินน้ํำลมไฟไปแล้วใครล่าจะไปสวรรค์ไปนรกไปอาบายไปเกิดใหม่อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะทําให้เราไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ถ้าเราได้มาฟังเทศฟังธรรมแล้วเราเชื่อในในความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านี้ทรงเป็นผู้ที่มีศีลที่บริสุทธิ์ ท่านไม่พูดโกหกกับใครไม่เคยหลอกใครท่านไม่ได้อะไรประโยชน์จากการเอาความจริงเหล่านี้มาสั่งสอนพวกเรา <c oughs> เวลาแสดงธรรมท่านไม่ได้เก็บเงินเก็บทองแลานไม่มีประโยชน์จากการแสดงธรรมท่านแสดงธรรมด้วยความเมตตากรุณาท่านเห็นพวกเรายังมืดบอดอยู่ถ้าไม่มีใครบอกเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องเวียนว่ายตายเกิดพวกเราก็จะไม่รู้กัน แล้วก็จะทำให้พวกเราไม่กลัวบาปกันไม่ชอบทาบุญกันแล้วจะทำให้พวกเรานี้ไปทำแต่ความยา ก, กตา่างๆแล้วความอยา ก, กต่างๆเหล่านี้ก็จะพาให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆนั่นเองแต่ถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อเราเข้าวัดศึกษาธรรมะอยู่บ่อยๆซึ่งสมัยนี้เราไม่ต้องเข้าวัดก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้ธรรมะนี่เข้ามาอยู่ในมือถือของเราแล้ว อยู่ในเครื่องคอมของเราแล้วเราอยากจะเรียนรู้ธรรมะจากใครก็ได้เดี๋ยวนี้สามารถเข้าไปในคอมเข้าไปในมือถือแล้วกดเลือกเอาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเองก็ได้คาสั่งคําสอนของพระอริยสงสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าก็ได้แล้วเวลาเราได้ยินได้ฟังเราก็จะได้ยินเรื่องราวอย่างนี้อย่างแน่นอนจะไม่มีรูปใดองค์ใดที่มาประ มาปฏิเสธว่านารกไม่มีสวรรค์ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีตายแล้วสูญจะไม่มีคําพูดเหล่านี้ในคําสั่งคําสอนมีแต่จะบอกว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงเมื่อเราได้รับการยืนยันจากบุคคลต่างๆเหล่านี้แล้วบุคคลที่น่าเชื่อถือบุคคลที่มีศีลมีศักดิ์มันก็จะทําทให้เราเกิดศรัทธาความเชื่อขึ้นมา พอเราเกิดตรัทาความเชื่อเราก็น้อมเอาคําสั่งคําสอนเหล่านี้ไปปฏิบัติการปฏิบัตินี่จะพิสูจน์ให้เราเห็นว่าทําบุญแล้วไปสวรรค์ทําบาปแล้วไปอบายนี่มีจริงสักฟอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วไปนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปมีจริงปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งตาอันมืดบอดด ว, ดวงตาอันมื่นบอดของเราที่มีอยู่ในใจนี้มันก็จะเปิดขึ้นมา ที่เราเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาพอเห็นธรรมปั๊บมีเห็นชัดเจนเลยเห็นผู้ที่ไปเวียน่ายตาเกิดก็คือจิตใจเห็นสภาพของจิตใจที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ว่าเป็นนรกว่าเป็นสวรรค์เป็นนิพพานขึ้นมาทั้งหมดนี้มันอยู่ในจิตใจของพวกเราฉงนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสถานที่สวรรค์ไม่ได้เป็นสถานที่นรกไม่ได้เป็นสถานที่นิพพานไม่ได้เป็นสถานที่ แต่เป็นสภาพจิตใจของพวกเราเวลาจิตใจเราทุกข์แม้กระทั่งตอนที่เรายังไม่ได้ตายนี้ร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเราไปนรกแล้วก็ได้เราทุกข์หรือว่าถ้าจิตใจเราหิวโหวยเราก็เป็นเปรตขึ้นมาแล้วถ้าจิตใจเรามีความสุขจิตใจเราก็กลายเป็นเทพขึ้นมาแล้วถ้าจิตใจเราสงบจิตใจเราก็เป็นพรหมขึ้นมาแล้ว สภาพต่างๆภพชาติต่างๆภพภูมิต่างๆนี้คือสภาวะของจิตใจในแต่ละชั้นแต่ละขั้นเท่านั้นเองแล้วเราก็จะไม่มีวันสงสัยต่อไปแล้วเราก็จะประพฤติปฏิบัติจนถึงขั้นสูงสุดคือการพระขั้นพระนิพพานเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่เรากำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ต่อไปถ้าเรายังไปไม่ถึงนิพพาน เวลาที่ร่างกายของเราตายไปแล้วเราก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่มาได้ร่างกายอันใหม่มาเริ่มต้นใหม่อีกรอบนึงเราจะจะเริ่มต้นดีไม่ดีก็อยู่ที่บุญหรือที่บาปที่เราได้ทำไว้ในภพนิชาตินี้ถ้าเราสะสมบุญมากกว่าบาปเวลาเรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะมาเกิดดีเกิดร่ำเกิดรวยเกิดสวยเกิดมีผิวพรรณหน้าตาผา่องใสเบิกบาน สุขภาพแข็งแรงเป็นต้นถ้าเราทำบาปเราก็เราก็จะมาเกิดแบบอาภาัพวาสนาร่างกายไม่สวยงามถานะยากจนด้วยโยครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอาการไม่ครบ32ออายุสั้นเป็นต้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเราไม่ สามารถที่จะไปยุติการทำงานของกฎแห่งกรรมได้กฎแห่งกรรมนี่ไม่มีใครไปล้มเลิกทำลายได้จะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าทำบาปก็ต้องไปอบายถ้าทำบุญก็ไปสวรรค์ถ้าสักฟอกจิตใจให้สะอาดก็ไปนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดติดต่อไปนี่คือประโยชน์ที่จะได้จากการที่เรามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้อง เมื่อเราเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเชื่อเรื่องนรกเรื่องอบายเชื่อเรื่องสวรรค์เชื่อนิพพานเราก็จะยุติการสร้างนรกการสร้างสวรรค์การสร้างนรกสร้างอบายด้วยการไม่ทำบาปแล้วเราก็จะมาสร้างสวรรค์ด้วยการทำบุญต่างๆแล้วถ้าเราอยากจะไปนิพพานไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเด็กต่อไปเราก็ไปซักพ่อจิตใจไปเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนา ถ้าฝ้องจิตใจด้วยการทำจิตให้สงบหลังจากจิตสงบก็สอนให้ใจให้ให้รู้เหตุที่พาให้มาเวียนว่ายตายเกิดแล้วละเหตุนั้นให้ได้ด้วยปัญญาแล้วพอละเหตุต่างๆที่พาให้มาเกิดได้การเวียนว่ายตายเกิดก็จะสิ้นสุดลงนี่คืออ น, นิสงส์ที่จะตามมาที่เกิดจากการมีสัมมาทิฏฐิการมีสัมมาทิฏฐิหนึ่งเป็น สิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเป็นเป็นผู้ที่จะทําให้เราได้รู้ทางของดวงวิญญาณของพวกเราว่าจะไปทางไหนต่อไปถ้า จ, จะไปทางไม่ดีเราก็ระงับเสียเดึงให้มันไปในทางดีถ้าเราไม่มีสมาทิฏฐิเราก็จะไม่รู้ว่าเราตายไปแล้วเราจะไปไหนเราอาจจะไม่เชื่อว่ามีการเกิดต่อไปมีสวรรค์มีนรกรอยอยู่เราก็จะไม่เชื่อ เราก็จะไม่กลัวการกระทำบาปเราก็จะทำบาปล้วก็จะทำตามความโลภความอยากต่างๆไปแล้วเราก็จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดอันนี้ก็คือเรื่องของวันพระของวันนี้คือเรื่องของการมาทาความเห็นให้ถูกต้องด้วยการฟังเทศฟังธรรมในเบื้องต้นแล้วขั้นที่สองก็นำมาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดมีดวงตาเห็นธรรม เราจะได้มีความมั่นใจร้อยเปเซว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงนรกสวรรค์มีจริงนิพพานมีจริงเราก็จะได้มุ่งไปสู่พระนิพพานทุกคนมีสิทธิจะไปนิพพานได้ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิถ้าเรามีมิจฉาทิฏฐิเราก็จะไม่ไปนิพพานเพราะเราเชื่อว่าเราคิดว่าตายแล้วสูญเมื่อตายแล้วสูญไปทำบุญให้เสียเวลาเสียเงินเสียทองทาไมทาบาปดีกว่า อย่างที่คนเขาว่ากันทำบุญแล้วไม่ได้บุญไม่ได้ดีทำดีไม่ได้ดีทำชั่วได้ดีมีถมไปทำชั่วดีกว่าทำบาปก็ได้เงินได้ทองได้ยศได้ตำแหน่งทำดีแล้วกลับไม่ได้ยศได้ตำแหน่งไม่ได้เงินได้ทองทำดีไปให้เสียเวลาทำไมนี่คือความเห็นของผู้มีมิจฉาทิฏฐิคนที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิแต่สำหรับคนที่มีมีสัมมาทิฏฐิก็จะไม่ทาบาปจะทาแต่บุญจะซักพ่อจิตใจ ของตนให้สะอาดโดยสุดแล้วก็จะได้ไปสวรรค์ไปนิพพานตามลำดับต่อไปนี่คือการแสดงธรรมสำหรับวันนีเออ้เวลาก็หมดลงแล้วเพราะเราได้กำหนดการแสดงธรรมไว้30นาทีโดยโดยประมาณถ้าอีก30นาทีต่อไปนี้จะเป็นช่วงของการทำจิตใจให้สงบซักพอกจิตใจด้วยการนั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบ เวลาจิตนิ่งสงบกิเลสตัณหาที่ออกมาเพ่นพ่านมาสร้างความวุ่นวายใจต่างๆก็จะระ ง, งับไว้ชั่วคราวจิตใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์แบบชั่วคราวไปก่อนทักพอกจิตใจด้วยการทําสมาธิสร้างความสุขให้เกิดที่ใจเมื่อเราใจมีความสุขแล้วใจจะได้ไม่ต้องไปทําบาปกับใครไม่ทําบุญก็ได้เมื่อใจมีความสุขจากสมาธิแล้วบุญก็ไม่จําเป็นจะต้องทำก็ได้ทำแต่สมาธิไปอย่างเดียว จะได้บุญมากกว่าได้ความสุขมากกว่าด้วยต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิกันวิธีนั่งสมาธิก็คือให้หยุดความคิดสมาธิคือความนิ่งสงบของใจเราต้องการทำใจให้นิ่งให้สงบใจจะนิ่งให้สงบได้ต้องหยุดความคิดให้ได้ถ้าใจคิดใจก็จะไม่นิ่งไม่สงบถ้าอยากจะให้ใจนิ่งให้สงบก็ต้องมีสติสติเป็นเหมือนเบรของใจ สตินี้จะสามารถหยุดความคิดต่างๆได้วิธีที่จะทำให้ความคิดหายไปเราต้องมีสติผูกใจไว้ให้อยู่กับอารมณ์ที่จะกล่อมให้ใจนิ่งให้ใจสงบอารมณ์ที่จะกล่อมใจนี้เราเรียกว่ากรรมฐานมีหลายชนิดด้วยกันแต่ที่เราใช้กันส่วนใหญ่ก็คือพุทธานุสติคือผูกใจให้อยู่กับพระพุทธเจ้าด้วยการบริกรรมชื่อของพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธพุทโ ธ, ท ธ, ทธไปภายในใจ หรืออีกวิธีหนึ่งก็ผูกใจให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกที่เรียกว่าอาณาปานาสติอาณาปานะแปลว่าลมเข้าลมออกสติก็คือการระลึกรู้ให้เระลึกรู้อยู่กับลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกหรือที่หน้าท้องจุดใดจุดหนึ่งดูลมที่ปลายจมูกก็ได้หรือดูลมที่หน้าท้องก็ได้หน้าท้องเขาเขาเรียกว่ายุบหนอ่อพองหนอ่อเวลาลมเข้าท้องก็จะพองขึ้นมา เวลาลมออกท้องก็จะยุบลงไปถ้าดูที่ปลายจมูกก็ไม่ใช่ยุบหนอท้องหนอรู้เข้ารู้ออกรู้อยู่ที่จุดเดียวอย่าอย่าเคลื่อนอย่าย้ายที่ไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้รู้เฉยๆเพื่อไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆพอคิดปั๊บก็แสดงว่าเผลอสติก็ต้องดึงใจให้กลับมาที่ลมหายใจให้อยู่กับลมหายใจไปถ้าเราใช้ลมเป็นเครื่องกล่อมใจถ้าเราใช้พุโทโธก็ให้อยู่กับพุโทโธไป อไปคิดเรื่องอื่นก็ดึงกลับมาอยู่ที่พุโทโธเวลานั่งมีอะไรมาปรากฏมาแทรกเข้ามาก็อย่าไปสนใจอาจจะมีเสียงโผล่ขึ้นมาอาจจะมีภาพโผล่ขึ้นมาก็อย่าไปสนใจให้เกาะติดอยู่กับกรรมฐานอยู่กับลมแล้วอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะนิ่งใจจะสงบเมื่อนิ่งสงบเราจะเกิดความสุขเกิดความมหศัศจรรย์ใจขึ้นมาเกิดความอยากที่จะให้มันสงบไปนานๆ เราก็ไม่ต้องทําอะไรถ้ามันสงบก็มีสติคอยกํากับอย่าให้มันคิดเพราะเมื่อเริ่มคิดเมื่อไหร่เดี๋ยวความสงบก็จะหายไปพอที่มันสงบแล้วเราก็ให้มีสติจดจอ่อเฝ้าดูความสงบนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะต้องการเลิกเราก็ค่อยถอนออกมาอันนี้คือวิธีนั่งสมาธิแบบง่ายๆบางคนเวลาเริ่มนั่งแล้วยังไม่สามารถดูลมได้ไม่สามารถพุโทโธได้เพราะใจฟุ้งอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อยู่ ก็ให้ใช้วิธีสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไปภายในใจแทนพุโทโธแทนดูลมหายใจไปก่อนสวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักพรั้งหนึ่งความคิดต่างๆก็จะเบาลงหายลงหายไปจิตกลับมาว่างเราก็ค่อยกลับมาดูลมหายใจต่อหรือมาดูพุโทโธต้อมาบริกรรมพุโทโธต่อ น, นี่คือวิธีการกา ร, กา ร, การทําสมาธิที่เราจะมาทํากันประมาณทั้งยีกว่านาที เ, เวลาสาหรับการนั่งสมาธิก็หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหมถ้าสงบดีก็ให้จดจำวิธีนั่งของวันนี้ไว้เพื่อคราวหน้าเวลามานั่งใหม่จะได้ใช้วิธี น, นี้นนนั่งต่อไปได้เลยอย่านั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากให้มันสงบนี้ไม่สามารถทำให้จิตสงบได้ ต้องวิธีที่นั่งที่ถูกต้องอย่างวันนี้ถ้าวันนี้นั่งยังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังมีน้อยมันฝึกสติให้มากระหว่างวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับพยายามนึกถึงพุโทโธพุโทโธอยู่บ่อยๆแล้วต่อไปสติจะมีกำลังมากขึ้นเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ง่ายได้เร็วได้นานถ้าต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พร ยทถาวะริวะหะตุราปาลิปุริเณติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตางนังอ oh ุปกปติอชิตังปฏิตังตุมห um ังคิปเมวะสมิชตะตสัพเพปุริเณตุส uh ังคะปา จันโทปนะระโสยธามณะโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพะโรโววินัสตุมาเตภวะตวันตรารโยสุขิทิขายุโกภะวะอภิวาธนสีลิปสะนิจจังวุทธาปจายโน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 ทางขับเฮาส์6ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ142ท่านรวมทั้งหมด791ท่านครับเชิญถามได้เลยครับกราบนมัสการครับก็รักษาสิน5้าเป็นปกติตั้งแต่เด็กครับต้องการที่จะรักษาสิน8แต่ว่ า, าทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างกำลังใจไม่พอต้องทำอย่างไรครับ ก็กำหนดวันเช่นวันพระนี่เอาสักวันหนึ่งก่อนอาทิตย์ละวันหนึ่งก่อนถ้าวันพระนี้เป็นตรงกับวันทํางานก็เปลี่ยนวันพระไปให้ตรงกับวันหยุดทํางานการรักษาศีลแปดนี้เพื่อชี้ยาวไปปฏิบัติธรรมนั้นเราต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติธรรมสักวันหนึ่งแลวันนั้นเราก็มารักษาศีลแปดเราก็มาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิฟังเทศทางธรรมเดินจมกรมเจริญสติ ทั้งวันถ้าทําได้เบื้องต้นแต่ถ้าทำถ้าทําไม่ได้ก็รักษาศีลแปดไปวันหนึ่งที่มันสะดวกคือวันที่เราไม่ทํางานหรือวันไหนที่เราคิดว่าสะดวกที่จะรักษาศีลแปดได้เราก็รักษาศีลแปดนั้นไปเช่นวันนี้เป็นวันพระปกติถ้าเป็นชาวพุทธเราเขาก็จะถือไปไปถือศีลแปดที่วัดกันไปเยอกันหนึ่งเคยแต่ถ้าเราไม่สะดวกจะไปน การรักษาสินที่บ้านได้ก็รักษาสินที่บ้านไปแต่มันหาจะลําบากเพราะว่าคนอื่นเขากินข้าวเย็นแล้วเราไม่กินข้าวเย็นนีเวลาอยู่ด้วยกันเดียวถ้าเห็นเราไม่กินข้าวเพราะว่าเรามาชวนเราไม่กินเหรอเาชวนบ่อยๆก็อาจจะทนไม่ไหวถ้ายังรักษาไม่ได้ก็เอาสินเจ็ดไปก่อนก็ได้ครับนแล้วแต่พยายามรักษาเพิ่มไปทีละข้อสองข้อไปก่อนก็ได้ครับจะพยายามรักษาเพิ่มไปทีละข้อครับ อขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องกะถินครับเวลาเราไปร่วมบุญกะถินนะครับคือปกติก็ไปไปร่วมงานนําตัวไปนําใจไปแล้วก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมว่า อ, อยู่ดีๆก็มีความสงสัยขึ้นมาว่าเรามีความจำเป็นต้องนําวัตถุที่เป็นผ้าขาวไปร่วมบุญจึงจะสาเร็จไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วแค่ที่เราตั้งเจตนาและนาตัวไปก็เพียงพอแล้ว คือถ้าไปมือเปล่าเป่าก็ไม่ได้บุญนะคือไม่ได้บุญจากการเสียสละที่เราเอาผ้าไปนี่เราต้องเสียสละเงินทองไปซื้อผ้ามาอันนี้เป็นเรียกว่าทานแต่ถ้าเราไปร่วมบุญร่วมงานกับเขาไม่ได้เอาผ้าไปไม่ได้ไม่ได้บริจาคเงินเพลงจะไปฟังเทศฟังธรรมเราก็ได้บุญจากการฟังเทศฟังธรรมเป็นคนละชนิดกันขออนุญาตครับหมายถึงว่าสมมติเราอ่าเห็นแล้วว่าอืม สถานที่นั้นมีภาพเพียงพอเราถวายเป็นปัจจัยไปอย่างนี้ได้ไดครับได้ได้ได้ก็ผมมีความเข้าใจว่าร่างกายกับจิตใจก็มีความต่อเนื่องกันครับอาจารย์มีความสงสัยว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยมีให้ความสําคัญหรือว่ามีความจําเป็นต้องออกกําลังกายอะไรไบ้างไหมครับหรือว่าก็เน้นไปที่การปฏิบัติทางใจเป็นหลักครับ ก็ต้องออกกาลังกายเพื่อรักษาให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยวิธีออกกําลังกายของพระ ก, ก็คือเดินจงกรมเป็นส่วนใหญ่เดินเป็นชั่วโมงมาพระบางรูปวันๆหนึ่งท่านเดินหลายชั่วโมงนอกจากนั้นก็ไปเดินบินทบาทบางแห่งก็เดินไกลเป็นหลายกิโลไปกลับก็หลายกิโลด้วยกันนี่คือวิธีออกกําลังกายของพระดังนั้นพระจะส่วนใหญ่จะแข็งแรงถ้าเป็นพระปฏิบัติพระป่าจะไม่อ้วนเหมือนพระในบ้านในเมือง ถ้าในบ้านในเมืองท่านไม่เคยออกกําลังกายท่านเอาแต่นั่งสวดสวดมวนต์รับทําบุญบางสังสวดท่านก็เลยไม่มีเวลาออกไปบินฑบาตไม่มีเวลาเดินจงกรมท่านก็เลยเจอโรคอ้วนขึ้นมาดังนั้นสำหรับพระปฏิบัติถ้าไปไปดูพระที่วัดปฏิบัติเนี่ยจะไม่มีพระอ้วนเพราะท่านเดินเยอะและนอกจากนั้นยังทํางานในวัดด้วช่วยปัดกวาดลานวัดช่วยทำอะไรต่างๆ ตัวอย่างในวัดของวัดป่านี้จะทำกันเองไม่ไม่จ้างญาติโยมมาช่วยทำให้ก็เลยมีการออกกำลังกายโดยโดยปริยายโดยที่ไม่ต้องไปทำเท่ากำลังกายเหมือนที่ญาติโยมทำกันกราบนรสการครับมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมนนะุกุติถามเข้ามาว่า การฝึกมโนมยิทิเป็นทางที่ควรทำหรือไม่คะอันนี้เราก็ไม่รู้จักวิธีนี้เลยไม่สามารถทูดได้ก็ลองไปถามคนที่เขาปฏิบัติกันว่าได้ผลดีไหมคำถามจากอินบ็อกช่ค่ะผมอายุ20ปีครับอยากบวชไม่คิดจะอยู่ทางโลกแล้วและพ่อแม่ก็อยู่ได้แม่ผมไม่บวชไปบวชครับเลยคิดจะลาออกแล้วบวชเลย เพราะเรียนต่อไปก็เปลือเงินพ่อแม่กับเสียเวลาตัวผมครับเลยอยากถามความคิดเห็นพระอาจารย์ครับกับสาธุก็มันก็มีสองแนวทางแ น, ะนวทางหนึ่งก็คือเราทำอะไรอยู่แล้วเราไปหยุดทำมันก็ทำให้เราเหมือนกับเสียสัจจะตอนที่เราเรียนหนังสือเราก็ตั้งใจะจะเรียนให้จบพอมากลางคันเราก็เปลี่ยนใจแล้วเราจะไปรู้เลยเวลาเราไปบวชแล้วเดี๋ยวเราจะไม่เปลี่ยนใจ เพราะฉะนั้นเราทำอะไรทาให้มันจบไปดีกว่าให้มันจะได้ไม่เสียสัจจะไม่เสียความตั้งใจที่เราทำไว้การเรียนก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรเรียนไปเผื่อเราไปบวชแล้วเกิดเราอยู่ไม่ได้เราก็ยังได้ออกเราก็จะได้มีวิชาความรู้มีปิญญามาเอาไปทามาหากินได้อยู่นั้นมองในแง่นี้ก็ควรจะเรียนต่อถ้ามองอีกแง่หนึ่งถ้าเราคิดว่าชีวิตเราไม่แน่นอน จะตายเมื่อไหร่ไม่รู้อาจจะตายพรุ่งนี้มะเรนนี้ก็ได้ฉะนั้นต้องรี่ไปบวชรี่ไปปฏิบัติให้บรรลุอันนี้ก็อีกแนวทางหนึ่งแล้วแล้วแต่เราจะเลือกแนวทางไหนเป็นแนวทางของการตัดสินใจอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราไม่สามารถแนะนําได้ตัดสินใจให้ได้บางคนคิดว่าพรุ่งนี้อาจจะตายก็ได้ฉั้นถ้ามัวมาเรียนหนังสือมาเรียนทงานทงโลกอยู่ก็ไม่ไม่ไม่ช่วยให้เราไปนิพพานได้รีบไปเรียนทางธรรมรีบไปปฏิบัติดีกว่า ถ้าคิดอย่างนี้ก็ก็เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถทำได้เจ้าค่ะมีคำถามจาก YouTube เจ้าค่ะกบกราบเรียนหลวงพ่อการดื่มเหล้าแบบสังสรรหรือดื่มที่บ้านเพื่อความสุนทรีในการกินอาหารผู้ดื่มเป็นคนไทยศา ส, สนาพุทธทราบดีว่าผิดศีลข้อห้านี้เป็นแค่ผิดศีลข้อห้าหรือเป็นบาปด้วยคะขอบพระคุณคะ่ะยังไม่บาปเป็นอบายยมุก แต่จะพาให้ไปทำบาปได้ง่ายต่อไปก็อาจจะกินมากขึ้นบางวันอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียเท่าใจเสียใจก็เดิมเด่มแล้วเมาพอเมาแล้วทีนี้อาจจะไปคิดทำไม่ดีขึ้นมาก็ไม่มีสติที่จะไปยับยั้งได้ก็จะพาไปสู่การทำบาปต่อไปได้แต่ถ้าเราไม่เดื่มซาลาเรามีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวตลอดเวลาพอคิดจะไปทำบาปแล้วกออ็ไม่เอาดีกว่าไม่ทาดีกว่า งั้นการเดิกดชลาแม้แต่นิดเดียวมันก็ไม่ควรเพราะว่ามันจะมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆวันนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ข่อีกนหน่อยหนึ่งเขาเขาเพิ่มไปเรื่อยเดี๋ยวในทสุดกินทั้งขวดเลยค่ะจากทางยูทูบค่ะเมื่อเข้าสมาธิเสียงดับไม่มีลมหายใจจิตอยู่กับความว่างจิตกับผู้รู้คือสิ่งเดียวกันไหมเพราะในความว่างนั้นก็ยัง ที่มีสิ่งที่ถูกรู้อยู่หรือจริงแล้วมันเป็นเพียงอาการเกิดดับเท่านั้นไม่มีผู้รู้คะ่ะผู้รู้ไม่เกิดไม่ดับผู้รู้รู้ตลอดเวลาถ้าไม่มีผู้รู้ก็ไม่ก็ไม่รู้เลยเหมือนคนที่ไม่มีสตินอนหลับไปถึงแม้จะมีผู้รู้แต่ผู้รู้ก็ถูกสติไม่ได้ทำงานให้ใ ห, ให้ให้รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ <Yeah. S 2> นั้น ผุ้รู้นี่ไม่มีวันหยุดรู้อยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่ารู้อะไรหรือไม่รู้อะไรขึ้นอยู่ที่สติถ้าสติให้รู้พุทโธมันก็จะรู้พุทโธถ้าสติให้รู้เสียงมันก็จะรู้เสียงถ้าสติไม่ทำงานมันก็ไม่รู้อะไรมันก็รู้มันก็รู้แต่ความคิดบางทีนอนหลับไปมันก็จะฝันฝันมันก็จะรู้ว่ากำลังฝันเรื่องนั้นเรื่องนี้งั้นตัวรู้นีมันมันรู้อยู่ตลอดเวลาไม่ดับ เวลานั่งสมาธิเราไปหยุดตัวคิดพอตัวคิดหยุดปั๊บก็เหลือแต่ตัวรู้ตัวรู้ก็บอกตอนนี้ไม่มีความคิดแล้วมีแต่ความว่างอันนี้แหละคือตัวรู้ช่ัสจาก youtube ขอความเมตตาจากพระอาจารย์ชี้แนะเกี่ยวกับรายละเอียดและวิธีการอดอาหารครับตอนนี้พยายามฝึกฝนครับแต่ไม่ทราบว่าทําถูกไหมครับแต่ทําแล้วดีกว่า กินปกติครับเลยอยากทราบวิธีที่ถูกต้องกราบพระอาจารย์ครับก็ไม่กินก็ไม่กินวิธีที่ถูกต้องก็ไม่กินยี่บสี่ชั่วโมงสมมติวันนี้ไม่กินแล้วก็ปกติเรากินมื้อไหนสมมตอเรากินมื้อเช้าถ้าเราจะอดวันนี้มื้อเช้าเราก็อดไปแล้วถ้าเราจะกลับมากินก็กินพรุ่งนี้มื้อเช้าใหม่ถ้าเรากินมื้อเดียวท่านนั้นเองขณะที่อดก็ดื่นแต่น้ําเปล่าอย่างเดียวดีที่สุด อย่าไปดื่มน้ำที่มีสีมีกลิ่นมีรสเพราะมันเป็นกิเลสแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะดื่มพวกนี้แทนอาหารไปก็มีอันให้ให้ดื่มเพื่อรักษาร่างกายร่างกายต้องการน้ำเปล่าร่างกายไม่จาเป็นจะต้องมีน้ำที่มีสีมีกลิ่นมีรสอะไรต่างๆวิธีดีที่สุดในการอดก็คือดื่มน้าเปล่าไปอย่างเดียวเวลาหิวน้าเวลากระหายน้ำก็ดื่มไปดื่มน้ำเปล่ปา อย่าไปดื่มน้ำกาแฟน้ำชาน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นการเสบรูปเสียงกลิ่นรสของเครื่องดื่มมันเป็นกิเลสเราอดนี่เพื่อปราบกิเลสไม่ให้มันเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจากการดื่มการกินแล้วทำให้ใจแล้วทำให้ร่างกายเบาไม่ง่วงนอนไม่ขี้เกียจทำให้เดินจงกรมนั่งสมาธิได้อย่างสะดวกอย่างสบาย นี่คือเหตุผลของการอดอย่าไปอดเฉยๆอดเฉยๆเพื่อให้บรรลุธรรมนี้มันมันไม่อดมันไม่บรรลุธรรมอดเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติส่งเสริมความเพียรให้เราขยันเดินจงกโมจเจริญสติให้เราขยันจะนั่งสมาธิี่ถ้าเวลาเราอดมันหิววิธีจะช่วยดับความหิวก็คือนั่งสมาธิพอ nang สมาทิความหิวทางใจก็จะหายไปเหลือแต่ความขาดอาหารของร่างกายซึ่งรู้สึกว่ามันไม่ทรมาน ความหิวส่วนใหญ่เกิดจากใจพอเราทาสมาธิได้ความหิวก็หายไปจิตสงบจิตก็อิ่มขึ้นมาเราจะทำให้เราสามารถปฏิบัติทำได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเจ้าจากคุณใบยหยกเจ้าคะจิตใจเปรียบดังกระแสครื่นไปเกาะติดตามการกระทำของจิตเติมตอนมีชีวิตถ้าเป็นมนุษย์ก็เปรียบดัง ไอโฟนซัมซุง vivo nokia ตามระดับของจิตถูกไหมเจ้าคะ่ะไม่ถูกเลยนจิตเป็นธาตุรู้ที่มีความสามารถที่จะเชื่อมกับร่างกายได้ติดต่อกับร่างกายได้ติดต่อทางตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายได้ให้ร่างกายเอารูปเสียงกลิ่นรสที่เห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายส่งไปที่จิตจิตอยู่คนละที่กับร่างกายแล้วจิตก็มีความรู้สึก เวทนาสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์มีความคิดคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้มีความจำได้หมายรู้ <c oughs> นี่คือนี่คือความสามารถของจิตคุณสมบัติของจิตแล้วจิตก็มีกิเลสเราให้จิตไปหาความสุขผ่านทางร่างกายเ <c oughs> พราะคิดว่าเมื่อมีรูปเสียงกิเลสมาเสดเรจะมีความสุขแต่เป็นความเข้าใจผิดเพราะรูปเสียงกิเลสเป็นของไม่เที่ยง มันสุขเดียวๆแล้วเดี๋ยวมันก็กลายเป็นทุกข์ขึ้นมาเวลามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันหมดไปก็เลยต้องทุกข์อยู่กับรูปเสียงกลิ่นลดไปเรื่อยๆแล้วก็แต่ก็อดอดอดที่จะเสพมันไม่ได้เพราะมันมีความอยากแล้วมันจะต้องเสพอยู่เรื่อยๆเศพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอพอร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปหาร่างกายใหม่ไปเกิดใหม่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะมาเจอพระพุทธศาสนา ที่สอนให้เรามาหยุดความอยากหยุดกิเลสกันด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาเมื่อเราปฏิบัติทานศีลภาวนาได้เต็มที่แล้วเราก็จะตัดความอยากทั้งหลายที่หลอกให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดมาเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้หมดพอไม่มีความอยากแล้วก็ไม่มีการเกิดอีกต่อไปจิตก็เป็นนิพพานไปเจ้าค่ะจากอินบ็อกซ์เจ้าค่ะกราบเรียนสอบถามพระอาจารย์ครับ เพื่อนๆที่อยู่แนวเขตชายแดนนำเรื่องราวความเป็นอยู่ในความไม่สงบมาระบายให้ฟังครับถึงสภาพจิตใจที่เต็มไปด้วยความกลัววิตกกังวลทั้งความสูญเสียบุคคลสำคัญและในฐานะผู้รักษาความไม่สงบผมก็ได้แค่พูดให้กำลังใจแนะนำมาฟังทมด้วยกันเพื่อบรรเทาความคิดฟุ้งซ่านแต่เขาก็ยังมาระบายความในใจให้ผมฟังอยู่เรื่อยเกี่ยวกับความคิดวิตก กังวลหลายๆเรื่องในชีวิตจากความกลัวบ้างจากความเป็นอยู่บ้างกราบสอบถามพระอาจารย์สองคำถามครับคำถามที่หนึ่งสภาพจิตใจของเพื่อนๆที่อยู่ในความสูญเสียความกลัววิตกกังวลแบบนี้เขาควรทำอย่างไรครับกับความคิดฟุ้งซ่านก็ใช้สติใช้ปัญญาถ้าเราฝึกสติได้เราก็หยุดความคิดได้ พอหยู่ความคิดได้ความฟุ้งซ่านก็หายไปความกลัวก็หายไปแบบชั่วคราวถ้าเราอยากจะให้หายไปแบบถาวรเราก็ต้องสอนใจว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงไม่ว่าใครก็ตามอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ชายแดนอยู่ที่ปลอดภัยที่ไหนก็ตามมันก็หนีพ้นไม่พ้นความตายไปได้ดัง <Yeah. S 1> ั้นเราอย่าไปกลัวความตายเราต้องยอมยินดีรับความตายเวลามันมาถึง ถ้าเรายินดียอมรับความจริงว่าต้องตายกันทุกคนความกลัวก็จะหายไปอยู่ที่ไหนก็ไม่กลัวคำถามที่สองจากสถานการณ์เพื่อนๆไม่สะดวกกับการเดินทางไปวัดทุกๆวันพระศรัทธาในพระสถัทาในธรรมว่าโอสถถือศีลอยู่ที่บ้านควรปฏิบัติแบบใดครับและบุญจะต่างจากการบําเพ็ญเพียรอยู่ที่วัดอย่างไรครับ ไม่ต่างกันเหมือนกันก็ปฏิบัติทานศีลภาวนาไปทําบุญทําทานได้โอนเงินเข้าบัญชีวัดก็ได้รักษาศีลห้าศีลแปดไปแล้วก็หมัน่นเจริญสติคอยควบคุมความคิดอย่าให้คิดนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาให้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเท่า น, นี้ก็พอเพียงใช่ค่ะจากอินบล็อกกระดาบพระาจางครับนอกจากเป็นจาง คเขาพระสูตรที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วควรศึกษาพระสูตรอื่นหรือสวดมนต์แปลบทอื่นเพิ่มเติมด้วยไหมครับขอความเมตตาพระอาจารย์ครับสำหรัเราคิดว่า <c oughs> พอ <c oughs> พอเพียงต่อการปฏิบัตินะไม่ต้องไปไปศึกษาบทอื่นก็ได้ <c oughs> แต่อยากจะศึกษาก็ไม่ห้ามนะแล้วแต่แล้วแต่ความพอใจแตถ่ถ้าศึกษาเพื่อให้หลุดพน้นเพื่อมรรคผลนิพพานแค่นี้ก็พอแล้ว เชิญถามได้โยมสงสัยเ อ, อที่เขาพูดถึงพระนิพพานนะคะอาการของพระนิพพานเป็นยังไงคะในในมุมมองของพระอาจารย์ค่ะเป็นคนที่หายจากโรคภัยนะไข้เจ็บนั่งกายเราเจ็บนี้เจ็บนั่นปวดนี้พอหายแล้วมันเป็นยังไงสบายไหมสบายจิตใจก็เหมือนกันนะ่ะจิตใจตอนนี้เราทุกข์ห่ากังวลหรือเปล่า วิตกหรือเปล่าหวาดกลัรเปล่าท่านนิพพานก็ไม่มีอาการเหล่านี้หลงเรือยู่ในใจเท่านั้นเองอ๋อสาธุค่ะเท่านั้นแหละไม่มีอะไรหรอกหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บทที่เกิดจากกิเลสความโลกรธหงสร้างทําให้เราเกิดความกลัวความความวิตกควมกังวลความห่วงใ ย, ยอย่างตา่างพอเรากําจัดตัวกิเลสโลภโกรธหงไปได้หมดอาการต่างๆเหล่านี้ก็หายไปหมดแล้วก็เรียกปรมังสุขขังมีแต่ความสุขค่ะ นั่นแหละหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บทางใจโอ้ดีจัง<ะ>มีคำถามอีกหนึ่งคำถามค่ะสมมติว่าอย่างเช่นเราเห็นอาการของจิต ท, ที่มันรุงแต่งค่ะมันกลายเป็นรูปแบบสาเร็จเป็นภาพในมนโนว<ย>ามงิีอย่าไปตามมันให้ใช้พุโทโธพุโทโธดึงกลับมาหาพุโทโธอ๋อค่ะแล้วอาการอัล่านี้ก็จะหายไปยิ่งไปตามมันมันยิ่งหลอกเราใหญ่ใช่ค่ะอย่าไปตามมัน ให้กลับมาที่พุโทโธมากลับมาที่ฐานของเราแล้วอาการต่างๆก็จะหายไปเออมีอีกหนึ่งคำถามค่ะทำไมเวลาที่เราเริ่มต้นรักษาศีลจากศีลห้าค่ะมันยากแต่พอเราปฏิบัติไปมันก็ดูเหมือนง่ายแล้วก็เพิ่มระดับไปเรื่อยๆแต่พอเรากลับไปอยู่กับคนทั่วไปค่ะมันก็จะเป็นเหมือนเหมือนเดิมค่ะมันเกี่ยวกับสถานที่ไหมคะก็สิ่งแวดล้อมไง เขาทำอะไรก็ามักจะดึงเราไปด้วยถ้าเราอยู่กับคนที่มีศีลเราก็เขาก็จะดึงเราไปทางที่มีศีลถ้าเราไปอยู่กับคนที่ไม่มีศีลก็จะดึงเราไปทางที่ไม่มีศีลออกราบขอพระคุณค่ะพระอาจารย์ได้ฟังคํานิพพานของพระอาจารย์แล้วปลื้มใจมากค่ะโอเคง่ายๆเลยง่ายๆแต่ทํายากใช่คะ่ะ คำถามค่ะตอนนั่งสมาธิแล้วร่างกายเบาไม่รู้สึกตัวแต่หูได้ยินแบบนี้เป็นการนั่งที่ถูกต้องไหมคะแล้วตอนเรานั่งสมาธิบุญเกิดตอนที่จิตรวมใช่ไหมคะนั่งช่วยถามอีกครั้ง่อ่านอีกครั้ง่งค่ะตอนนั่งสมาธิแลว้วร่างกายเบาไม่รู้สึกตัวแต่หูได้ยินเสียงแบบนี้เป็นการนั่งที่ถูกต้องไหมคะ แล้วตอนเรานั่งสมาธิบุญเกิดตอนที่จิตรวมใช่ไหมคะเวลานั่งแล้วไม่รู้สึกตัวนี่แสดงว่าหลับไม่ถูกต้องถ้าเป็นสมาธิเราจะรู้สึกตัวตลอดเวลารู้สึกว่าจิตสงบรู้สึกว่าจิตสบายรู้สึกเบาอย่างนี้แต่ถ้าไม่รู้สึกตัวเลยแสดงว่านั่งหลับแล้วส่วนข้อที่สองก็ถามว่าอะไรนะตอนนั่งสมาธิบุญเกิดตอนที่จิตรวมใช่ไหมคะถ้าจิตสงบก็เป็นความสุข บุญก็คือคความสุใจำถามจากทาง Facebook เจ้าค่ะเวลานั่งปฏิบัติกระทั่งความรู้สึกที่มีต่อกายหายไปเหลือแต่สติที่ดูจิตดูอยู่เช่นนี้ไปต่อเนื่องกระทั่งจิตถอนออกมามีความรู้สึกตัวจึงพิจารณากายดูผมผมขนเล็บฟันหนังว่าเป็นของไม่เที่ยงเมื่อออกจากสมาธิก็ตามพิจารณาในชีวิตประจำวันไปแบบนี้ เห็นร่างกายเหมือนถุงขยะเคลื่อนไปมาปฏิบัติเช่นนี้ถูกไหมครับก็อยู่ที่ว่าพิจารณาแล้วตัดอุปทานความยึดติดในร่างกายได้หรือเปล่าถ้ายังตัดไม่ได้ก็แสดงว่าสมาธิยังมีน้อยก็อย่าเพิ่งไปทางปัญญากลัมาทางสมาธิก่อนเวลาออกจากสมาธิมาก็เจริญสติหยุดความคิดก่อนเจริญสติไปเพื่อให้มีสติมากขึ้น เมื่อเวลานั่งสมาธิจิตจะได้นิ่งได้นานขึ้นได้ลึกขึ้นจนกว่าเราจะมีกําลังที่จะไปหยุดกิเลสได้แล้วเราใช้หมายทางปัญญาพิจารณาร่างกายว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเพื่อปล่อยปล่อยความยึดติดในร่างกายให้ได้ถ้าเราปล่อยได้ก็แสดงว่าเรามีสมาธิพอแล้วเพราะผู้ที่จะปล่อยไม่ใช่ปัญญาผู้ที่ปล่อยคือคือสมาธิปัญญาเพียงจะบอกให้ปล่อย หมอยึดไม่ดียึดแล้ทุกถ้าปล่อยแล้วจะไม่ทุกแต่ผู้ที่จะปล่อยก็คือจิตจิตหยุดความอยากได้หรือไม่หยุดความความยึดติดได้หรือไม่อันนี้อยู่ที่กําลังของสมาธิถ้ากําลังสมาธิมีเต็มร้อยก็สามารถตัดได้หยุดได้ถ้ายังตัดไม่ได้หยุดไม่ได้ก็ต้องพยายามฝึกสมาธิให้มากต่อไปก่อนเจ้าค่ะจากทาง youtube เจ้าค่ะกราบนำัศการหลวงพ่อครับ เวลาผมนั่งสมาธิจะภาวนาพุโทโธจนพุโทโธหายไปแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะง่วงเครืไปหรือมันสงบกันแน่กราบขอแนวทางคำแนะนำที่จะไม่ให้ง่วงเคริมได้ไหมครับก็สติเรามีน้อยพุโทโธได้ไม่กี่คำก็หายไปแล้วพุโทโธก็หายไปแล้วงั้นก่อนที่จะามานั่งสมาธิคนจะฝึกสติให้มากๆขึ้นก่อนฝึกสติไปทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่ เราสามารถจเจริญสติได้ให้มีพุโทโธอยู่ในใจไปเรื่อยๆหรือให้เฝ้าดูว่าเรากำลังทำอะไรตลอดเวลาอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนี้นเรื่องนี้แล้วเวลานั่งสมาธิ จ, จะมีสติมากพุโทโธก็จะไม่หายนั่งก็จะไม่หลับเจ้าค่ะจากทางยูทูบเส้าค่น้อมกาบพระชาญค่ะเวลาที่จิตรวมแล้วเรายังคงได้ยินเสียงคนรอบข้างไหมคะกราบสาธุค่ะก็มีสองแบบ รวมแบบได้ยินเสียงก็มีรวมแบบไม่ได้ยินอะไรเลยก็มีร่างกายหายไปเลยก็มีมีอยู่สองแบบด้วยกันแต่ใจจะเฉยๆกับทั้งสอ ง, ท, งทั้งสองแบบใจจเฉยได้ยินเสียงก็ไม่ลำคาญ ร, ร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่รู้สึกอะไรรับรู้เฉยๆได้เป็นอุเบกขาหรือถ้าลงลึกไปกว่านั้นก็หายไปเลยร่างกายทั้งร่างกายเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวยวคำถามสุดท้ายนะเวลากล้จะหมดนะเจค่ะ จาก YouTube ค่ะเวลาหลับชอบคิดมากจนทําให้ไม่หลับทําพุทโธอยู่กับลมหายใจก็ไม <court. S 1> ่หลับวิธีช่วยให้ทําหลับลดการคิดได้อย่างไรครับสาธุครับก็ใช้พุทโธนี่แหละเพียงแต่ว่าอย่าไปอยากให้มันหลับทันทีอยู่กับพุทโธไปจะหลับไม่หลับไม่ไม่กังวลไม่หลับก็พุทโธไปไม่หลับก็ได้สมาธิให้คิดอย่างนี้ถ้าไม่ได้สมาธิก็หลับไม่ใจอย่าไปอยากให้มันหลับ พรความอยากให้มันหลับมันจะทําให้ใจเครียดเครียดแล้วมันจะไม่หลับให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปไม่ต้องสนใจว่าจะหลับหรือไม่หลับเดี๋ยวเดียวก็หลับถ้าเราไม่ไปสนใจถ้าอยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวแต่แล้คอยจ้องพุทโธแล้วทำไมไม่หลับสักทีเมื่อไหร่จะหลับสักทีถ้าอย่างนี้นั่งไปจนทั้งคืนก็ไม่หลับงั้นอย่าไปอยากให้มันหลับให้อยู่กับพุทโธไปเพียงอย่างเดียวพุทโธไปเรื่อยๆอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งเดี๋ยวพอ มันเดืมเรื่องคิดต่างๆได้ว่ามันก็จะหลับเองอ่าขอให้คำถามหลวงพ่อเจ้าคะถ้าความคิดมันแข่งกับพุโทโธของเราเจ้าคะเราจะทำยังไงก็แข่งกับมันถึงแล้วใช้พุโทโธแข่งกับมันไปอย่าไปสนใจกับความคิดไปมันคิดไปแล้วก็อยู่กับพุโทโธไปเหมือนสองคนอ่ะคนหนึ่งเขาจะพูดแล้วก็ปล่อยก็พูดแล้วเราก็พุทโธพุโทโธของเราไปนี่อยู่ที่ว่ใครจะใครจะเก่งกว่ากัน ถ้าพุทโธเก่งกว่าเดี๋ยวความคิดอ่อื่นก็หายไปโอเคนะอันนี้เวลาก็หมดพอดีสำหรับการสนทนาธรรมก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด